สิ่งในโลกนี้รวมทั้งทุกอย่างในชีวิตนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราหรือว่าตามความอยากของเราแต่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถึงที่เราอยากมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าว่าเหตุปัจจัยยังไม่ถึงพร้อมแต่ถึงแม้ไม่อยากถ้าเหตุปัจจัยถึงพร้อมมันก็เกิดขึ้น นี่เรียกว่าเป็นธรรมดาโลกบางทีเราก็เรียกว่าเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นเองนะแต่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสิ่งดีๆที่เราอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าอยากแค่ไหนมันก็ไม่เกิดถ้าเหตุปัจจัยยังไม่ถึงพร้อมเหตปัจจัยส่วนก็ อยู่ที่การกระทำของเราด้วยเมื่อหลายร้อยปีก่อ น, นมีชายหนุ่มคนหนึ่งประเทศญี่ปุ่นไล้ขอมาสมัครเป็นสิทธิ์ในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึง่งก็บอกกับเจ้าสำนักว่าอยากจะบรรลุธรรมขอมาปฏิบัติกับอาจารย์ จาง ก, ก็เห็นว่าชายหนุ่มคนนี้มีความตั้งใจก็เลยรับมาเป็นศิษย์ในชายคนนี้เนี่ยไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่บรรลุธรรมหรือซาโตริสักทีหลังจากอยู่ปฏิบัติมาในสำนักนี้5ปี ไม่บรรลุธรรมอย่างที่ต้องการก็ท้อแล้วก็ขอลาอาจารย์กลับไปอย่างบ้านเกิดออมาไม่นานก็มีชายหน่คนหนึ่งดูเป็นคนยากไร้มาขอทำงาน เจ้าสำนักก็รับนะให้หนุ่มคนนี้ไปทำงานในโรงครัวชาหนุ่คนนี้แกไม่ต้องการอะไรมากต้องการเพียงแค่ที่พักที่หลับนอนแล้วก็อาหารเพราะว่าเป็นคนที่ ลำบางยากเข็นมาแต่เล็ดต้องการเอาแรงงานมาแรกเพื่อได้มีที่พักที่หลับที่นอนมีอาหารกินในการเดนขยันหาฟืนหาน้ำไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ไม่เกี่ยง ตั้งใจทำไม่มีบิดพริว้วตอลงอาจารย์เนี่ยเห็นว่าเป็นคนที่ใส่ใจการทำงานก็แนะนำนะให้เวลาปฏิบัติเนี่ยก็ให้ใจเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ทำอย่าปล่อยใจวอกแวกให้น้องจิตมาอยู่กับปัจจุบันขนา หนุ่นนี้ก็เนี่ยเป็นคนว่างง่าย ก, ก็เลยทําตามที่อาจารย์แนะนำตอนที่ทํางานก็ดูจิตดูใจของตัวไปด้วยปรากว่าไม่กี่เดือนต่อมานะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเรียกว่าสัตตริเจ้าตัวก็ประหลาดใจนะ แต่าอาจารย์นี่ก็ไม่ประหลาดใจเลยเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ต้องการบรรลุธรรมแต่ว่าสิ่งที่ชายหนุ่มคนที่ทาเนี่ยมันก็เพื่อต่อการที่จะเห็นธรรมเกิดปัญญาขึ้นมา เพรเรื่องการเห็นธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ความอยากแต่ันอยู่ที่การปฏิบัติว่าได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เอื้อต่อการบรรลุธรรมนซึ่งต่างจากชายหนุ่มคนแรกนะชายหน่คนแรกเนี่ยอยากจะบรรลุธรรมมากเลย ทุกวันทุกวันเนี่ยปฏิบัติไปก็คิดถึงแต่เรื่องการบรรลุธรรมแต่เนื่องจากการปฏิบัติของตัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการบรรลุธรรมอยากแค่ไหนนะก็ไม่มีดวงตาเห็นธรรมจริงจะว่าไปแล้วความอยากนั่นแหละนะ ที่มันเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำทำให้ใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเวลาปฏิบัติก็จะนึกถึงในเรื่องสิ่งที่ต้องการบรรลุซึ่งเป็นเรื่องอนาคตในเลที่ชาติที่สองเนี่ยแม้จะหาบน้ำผ่าฟืนไม่ได้นั่งปฏิบัติ แบบแต่ว่าใจเนี่ยน้อมไปสู่การมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเมื่อทำมาถึงจุดหนึ่งนะมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาไม่ว่าปัญญาสว่างโพลงขึ้นมา จะว่าไปแล้วเนี่เพราะไม่ได้มีความอยากนะมันเป็นอุปสรรคการเห็นธรรมเนี่ยจึงเกิดขึ้นได้ในที่สุดแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแมคนเราทำแล้วก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะมีความอยากเป็นแรงผลักดันแต่ถ้าปล่อยความอยากมันนำหน้า มันก็อาจจะเป็นอุปสรรคให้การปฏิบัติเนี่ยไม่บรรลุผลนะครงค้าแม้ว่าจะไม่มีความอยากแต่ว่ า, าทำโดยการวางจิตวางใจอย่างถูกต้องมันก็เกิดผลที่ดีงามขึ้นมาได้ เรื่องนี้ก็เคยมีเกล็ดของสมัยลวงปู่มั่นนะเรื่องราวก็คล้ายๆทำนองนี้มาสักเ้าสิบปีได้แล้วมั้งสมัยที่ลวงปู่มั่นท่นยังยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากแต่ก็เริ่มมีลูกศิษย์แล้วมีคาดของท่านเดินทุ ด, ดง ขึ้นดอยแถวเชียงใหม่มีสิทธิ์เพียงคนเดียวตามไปด้วยนะคื อ, อลวงปุตเทศนะซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นพระหนุ่มอยู่อาจารย์มักจะเห็นดอยลุกหนึ่งเนี่ยนะเป็นมีภูมิประเทศที่ส ง, งบท่านก็เลยเลือก ค้างแรมอยู่บริเวณนั้นอยู่พักหนึ่งเห็นว่าเป็นทำเลที่ดีเพราะว่านอกจากธรรมชาติสงบสงัาแล้วก็ยังใกล้หมู่บ้านชาวเขาแห่งหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยไม่รู้จักพระพอเห็นระอาจารย์มั่นนะกับระอาจารย์เทศเนี่ยมาบิณฑบาตก็ไม่รู้ว่ามาทำไม พอถามว่าพอถามก็รู้ความมาออกมามาหาหรือมารับอาหารบิณฑบาตชาวบ้านก็ถามว่าเนี่ยจะเอาเข้าวสารหรือข้าวสุกแล้วก็ตอบว่าข้าวสุกชาวบ้านก็เลยใส่แต่ข้าวสุกนมีแต่ข้าวสุกไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยบุมบานหนึ่ง ก็ลงบนเทศนแ้นก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ฉันไปตามที่ญาติโยมให้อยู่พักใหญ่เลยนะหว่างที่พ่านพักแรบอยู่ที่นั่นเนี่ยก็บังเอิญมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งเนี่ยเกิดความระแวงสงสัยเพราะอย่างที่ว่านะั้นไม่เคยเห็นพระก็สงสัยว่าเนี่ยพระสองรูปเนี่ย เป็นเสือเย็นหรือเปล่าเสือเย็นนี่ก็คือเสือสมิงแปลงกายมาเป็นคนหรือเปล่าถ้าเป็นเสือสมิงแปลงกายเป็นคนนี่ก็ต้องระวังเพราะว่าเสือนี่มันกินคนเป็นอาหารนั่นก็เลยบอกชาว บ, บ้านว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเด็กนี่อย่าไปเข้าใกล้บริเวณนั้นนะแต่โดยกันผู้ใหญ่บ้านก็ส่งคนมาสอดส่อง ดูพฤติกรรมของพระสองรูปเนี่ยว่าน่ากลัวเป็นอันตรายไหมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกับลูกน้องนี่ลูกบ้านก็มาคอยมาเฝ้าสังเกตดูพร้อมกับอาวุธเร์หลวงปู่ ม, ม่นกับหลวงปู่เทศนี่ท่านก็ ไม่ได้สนใจอะไรแม่จะรู้ว่าชาว บ, บ้านมาเฝ้ามองแล้วก็บําเพ็ญกิจตามปกติเดินจงกลมเนี่ยเรียกว่าทั้งวันเลยเมื่อบ้านเนี่ยคอยเห็นผ้าสองรูปไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งกับเดินก็เริ่มคลายความระแวงสงสัย หลังก็คงเห็นว่าพ้าสองรูปนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยก็เลยออกมาแสดงตัวส่วนหนึ่งก็เพราะความสงสัยด้วยนะว่าสงสัยว่าหลวงปู่มั่นทำอะไรก็เห็นเดินกลับไปกลับมาอยู่ทั้งวันรวบรวมความกล้าแล้วก็ถามหลวงปู่มั่นว่าเนี่ยตุวเจ้ากำลังหาอะไร เห็นเดินกลับไปกลับมาทั้งวันเลยรูออ้มันก็ตอบว่ากําลังเดินหาพุโทโธแล้วก็ถามผู้หญบ้านว่าเนี่ยจะช่วยตามหาหมผู้ใหญบ้านก็เลยถามว่าพุโทโธคืออะไรท้านก็อธิบายว่าี่ยพุโทโธที่เป็นดวงแก้วอันประเสริฐ เดียบ้างถามว่าดวงแก้วนี้ใหญ่แค่ไหนหลวงปู่มันก็บอกว่าก็ประมาณปานกลางพอถามไปสักพักก็ก็เลยถามหลวงปู่มั่นว่าเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยจะช่วยตูเจ้าตามหาพุทโธนี่จะได้ไหมหลวงปู่มันก็ตอบว่าได้สิยิ่งดีเลยแหละเขาก็เลยถามว่าตามหายังไง หลวง่หลวง่าก็เล ย, ก, เยก็เดินกลับไปกลับมาก็นึกในใจนะว่าพุโทโธพุโทโธลึกแค่นี้แหละนะระหว่างที่เดินกลับไปกลับมาเบยบ้านก็ถามว่าเดินนานเท่าไหร่ตั้ต่เดินประมาณสักสิบห้าหยีก็คงจะหาเจอเบียบ้านเน่ยเนื่องจากปัฏฐานดีจะช่วยตูดเจ้านะ ก็เลยเดินกลับไปกลับมาพร้อมกับมองหาพุทโธในใจก็บริกรร ม, มาพุทโธพุทโธท่็ทำไม่นานนะจิตก็เกิดความสงบเป็นอย่างยิ่งต่อลั ง, งปู่แม่ก็เลยแนะนําการปฏิบัติเพิ่มเติมให้เพราะตอนนี้เขาเริ่มไว้วางใจแล้วเริ่มเชื่อฟังแล้วเพราะการปฏิบัติของ ผมอย่ญญาบ้างก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นเห็นนิมิตแถมยังรู้ใจคนอื่นได้ด้วยเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยใจสงบมากใสแล้วก็รู้ใจชาวบ้านคนนั้นคนนี้ว่า ค, คนนี้ผ่องใสคนนี้กำลังมีความเครียดมีความวิตกคนที่เศร้าหมองคนนี้กำลังดีใจก็ประหลาดใจเะไเนย หลังก็ไปเล่าให้ชาวบ้านคนอื่นฟังชาวบ้านก็สนใจขึ้นมามาช่วยตามหาพุโทโธด้วยก็แบบว่าได้รับอันที่ส่์ในของการตามหาพุโทโธเนี่ยจิตใจสงบนะผ่องแผ้วนะเกิดนิมิตก็เลยเกิดศรัทธาในพระอาจารย์มั่นกับพระอาจารย์เทศ ตอนหลังก็เลยมานับถือสมมาทานพระรัตนตรัยพรจารย์มั่นเนี่ยทีแรกก็ว่าจะอยู่ดอยลูกนั้นก็ไม่นานตอนหลังก็เลยว่าอยู่ดาวนะเข้าเข้าพรรษาไปเลยให้ชาวบ้านเนี่ยโดยพ่อผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะไม่ได้อยากจะให้จิตสงบเลยนะ ไม่ต้องการเห็นสีไม่ต้องการเห็นนิมิตไม่ต้องการที่จะมีความสามารถทางจิตพิเศษแต่ทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะเพราะว่าปฏิบัติตามคนแนะนำของพระอาจารย์มั่นได้อย่างถูกต้องพอวางใจได้ถูกจิตเป็นสมาธิก็เกิดความสงบแล้วต่ตอลองความสงบที่ว่านี้งก็นำไปสู่การ เกิดปัญญาเพราะว่าจากสมาธิก็นาไปสู่ยกระดับเป็นวิปัสสนาไม่ได้มีความอยากนะในการที่จะเห็นหรือเข้าถึงความสงบแต่จิตก็สงบไม่ใช่สงบเองนะแต่เพราะว่าได้วางจิตวางใจอย่างถูกต้องผู้อย่ากนันคือว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัย ได้ครบถ้วนผลที่ผลดีก็เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นไม่ได้ขึ้นอยู่ความอยากนะความสงบหรือว่าความสว่างในใจเนี่ยแต่มาอยู่ที่การสร้างเหตุสร้างปัจจัยถ้าทำเหตุปัจจัยถึงพร้อมผลก็เกิดขึ้นเองแม้ไม่อยากหรือไม่รู้ แต่ถึงแม้จะอยากแต่ถ้าเหตุปัจจัยไม่ได้สร้างให้ถึงพร้อมมันก็ไม่เกิดเรื่องนี้เนี่ยที่จริงพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็มีประสบการณ์ด้วยตัวเองนะพระองค์ได้เคยตรัสนะกับลูกศิษย์คนหนึ่งว่าสมัยที่เรายังเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์คือผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสรู พงตอนนั้นเนี่ยเห็นทั่วของกามแล้วกามไม่ว่ากามที่จะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจพงรู้แล้วว่ากามเนี่ยมันเต็มไปได้วยโทษเต็มไปได้วยความข้องขัดแต่พงกบอกว่าเนี่ยแม้จะเห็นชัดนะว่ากาลนั้นมีโทษเป็นของร้อนเนี่ย แต่ตาบใดที่ยังไม่บรรลุหรือเข้าถึงปิติสุขที่ปราศจากกามหรือปิติสุขที่ประนีตกว่ากามพวกก็ไม่สามารถจะยืนยันว่าจะไม่หวนกลับไปหาการรมอีกต่อเมื่อได้เข้าถึงปิติสุขที่ปราจากกาม หรือว่าปิติสุขที่ประนีตยึง ย, ยืนยันได้ว่าจะไม่หวนกลับไปหากรรมอันนี้ก็หมายความว่าแม้พระองค์เนี่ยจะปรารถนาจะเป็นอิสระจากกรรมเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ตราบใดที่ไม่สามารถจะฝึกจิตให้ได้้าถึงความสงบที่ใช่คําว่าปิติสุขที่ปราศจากกรรมหรือปลอดจากกรรม ซึ่งก็หมายถึงสุขจากฌานก็ดีหรือสุขจากจิตที่เป็นอิสระจากากิเลสและอุปทานทั้งหลายแม้พกมีความอยากนะอยากจะออกจากกามแต่ความเป็นอิสระจากกามก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกจิตให้ได้เข้าถึงความสงบหรือปิดิสุข เช่นเดียวกันนะพระงค์ก็ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์เนี่ยยังไม่ตัดสรูเนี่ยพระองค์ก็เห็นนะว่าเนคขมมะเนี่ยเป็นของดีเนคขมมะก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับการนะคือการออกจากกามไม่ได้แปลว่าออกจากออกบวชอย่างเดียวทัหมายถึงการเป็นอิสระจากกามแม่พระองค์เห็นว่าเนคขมมะเป็นของดีแต่พระองค์ก็บอกว่าใจก็ยังไม่ศรัทธายังไม่เลื่อมใสใ น, ในเนคขมมะ ยังยินดีในกามอยู่จนกว่าหรือต่อเมื่อจะเห็นโทษของกามและสามารถที่จะบรรลุเนคขมมะสุขได้ก็เหมือนกันนะแม่พระองค์เนี่ยจะอยากอยากจะเข้าถึงหรือบรรลุเนคขมมะแต่ใจมันยังไม่ยอมนะ แม่พงจะเห็นว่าเนคคัมมะเป็นของดีแต่ถ้าใจมันยังไม่ยอมยังไม่ศรัทธายังไม่น้อมยังไม่เลื่อมใสไปในเนคคัมมะยังเห็นเสน่ห์ของการเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงเนคคัมมะสุขได้อันนี้ก็ก็เคยพูดไปแล้วนะวันก่อนนะว่า ในคนเราเนี่ยแม้จะรู้ว่าอะไรดีหรือแม้จะมีความคิดว่าอะไรที่เป็นสิ่งพึงปรารถนาแต่ว่าถ้าใจมันยังไม่ไปด้วยเนี่ยมันก็ยากที่จะบรรลุนะหัวไปทางนึงแต่ใจไปอีกทางนึงเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลที่ต้องการได้ อย่างกรนีเนี่ยผู้เจ้าบอกเนี่ยวความคิดเนี่ยมันจะโน้มไปทางเนคขมมะแต่ถ้าใจไม่เลื่อมใสนะไปในทางเนคขมมะยังมีความยินดีในกามก็ไม่อาจที่จ ะ, ะบรรลุถึงเนคขมมะสุขได้จากแต่เดียวกันเนี่ยถาาว่าจะให้ใจเลื่อมใส ในเนคขมมสสุนี่ก็ต่อเมื่อหนึ่งเห็นทั่วของกามแล้วก็บรรลุถึงเนคมขมมสสุคือใจได้สัมผัสความสุขแล้วเนี่ยสุขที่ว่าเป็นเนคขมมาเนี่ยใจจึงจะโนไปทางนั้นตั้งมั่นในทางนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องความอยากอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของการที่ ได้ฝึกใจให้ได้บรรลุถึงในคขมะสุขด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราพึงตระหนักนะเวลาเราปฏิบัติธรรมหรือเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยผลที่ปรารถนาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเราแต่มันอยู่ที่การสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ถึงพร้อม เวลาทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานคิดถึงแต่ว่าอยากจะให้งานมันดีแต่ถ้ า, าไม่สร้างเหตุมันก็ดีขึ้นไม่ได้จากถึงแม้เราจะไม่นึกถึงผลที่มุ่งหวังแต่ถ้าเราทำเหตุให้ดีมันก็เกิดขึ้นได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือว่าทำเหตุให้ดีแล้วก็อย่าเพิ่งไปสนใจผลประกอบเหตุให้ดี เวลาเดินทางเนี่ยหลวงพ่อคำเดียนเขาก็บอกอยู่เสมอนะถึงต่อเมื่อมันถึงอย่าเพิ่งไปนึกว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงให้เรารู้ว่าถึงต่อเมื่อมันถึงระหว่างนั้นก็เดินทางไปเรื่อยๆอาจารย์พูดท่าแล้วก็บอกนะเวลาใครมาถามว่าเสร็จหรือยังเ่าก็บอกเสร็จทุกวันเสร็จทุกวันเสร็จทุกวันเนี่ยก็หมายถึงว่าอย่าไปสนใจกับความสําเร็จให้ทําเหตุให้ดีถ้าใจมานถึง ผลสำเร็จก็ให้นึกว่าเสร็จทุกวันหรือเดินทางเนี่ยก็ให้นึกว่าเออมันถึงทุกขนอ่ะในการปฏิบัติก็เหมือนกันนะเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไปนึกถึงแต่ผลที่ต้องการบรรลุเช่นความสงบความรู้สึกตัวอันนี้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคของการบรรลุถึงผลที่ต้องการแต่ถ้าเราพยายามทำเหตุให้ดีใจเนี่ยวาง ปล่อยวางผลแต่ประกอบเหตุให้ดีแม่ไม่อยากให้มันเกิดมันก็ต้องเกิดจนไดนะ้อย่างชายคนที่สองเนี่ยที่ไม่ได้ปราฐานาซาโตริเลยนะแต่ว่าพอทำงานและน้อมจิตให้ถูกต้องเนี่ยก็บรรลุทำได้และประสบการณ์ของผู้ใจยังสอนนะว่าเนี่ยคนเราเนี่ยแม้จะ ปรารถนาที่จะละเลิกเป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่างเช่นบางคนติดเหล้าบางคนติดยาบางคนติดการพนันแม้ว่าอยากจะเลิกแต่มันก็เลิกไม่ได้นะจนกว่าจะได้เข้าถึงความสุขที่ประนีกว่าประนีกว่าในความสุขจากเหล้าความสุขจากการพนันความสุขจากยาเสพติดแค่ว่าอยากจะเลิก นะแล้วก็พยายามอดกัน้นมันก็ไม่สำเร็จนะเพราะจใไม่โหยหาจนกว่าจะได้รับความสุขที่ปานนี้ที่ประเสริฐกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นแหละมันจึงจะเป็นอิสระได้การมาสูมันก็มีหลายระดับนะอย่างหยาบๆก็เล่าการพ น, นันยาเสพติด จะเลิกหรือเป็นอิสระจากความสุขแบบย่ามนี้ได้ก็ต้องเจอความสุขที่หยาบน้อยกว่าหรือเป็นนี่กว่าเช่นบางคนก็ที่เลิกเล่าได้เพราะว่าได้มีความสุขจากการทำงานความสุขจากการเล่นกีฬาความสุขจากมิตรภาพความสุขจากเพื่อนฝูงหรือความสุขจากสมาธิบางคนนี่ก็เลิกราได้เพราะว่าได้ นั่งสมาธิแล้วเกิดสุขบางคนเลือกเลาได้เพราะว่าได้มีความสุขจากสิ่งอื่นจากการทำความดีจากการสิ่งทำสิ่งที่มีประโยชน์ความสุขจากมิตรภาพได้แ ล, และความอบอุ่นจากเพื่อนจากชุมชนมันก็เลือกได้คื่งพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการลงทุนลงแรงด้วยนะไม่ใช่ว่าอาศัยความอยากอย่างเดียวอยากอย่างเดียวแต่ว่าไม่ลงทุนลงแรงไม่ไประกอบเหตุมันก็ไม่เกิด เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราอยากจะเลิกลดล ะ, ะบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเสพเคยติดเนี่ยบางกรั้งจะติดหรือว่าหลงในเงินเพราะว่าเงินมันเป็นที่มาของการมาสุขหลายคนเนี่ยก็หลงในเงินจนกระทั่งยอมทุจริตไม่ได้มีเงินไปซื้อโน่นซื้อนี่แต่แต่าด้ที่ยังไม่มีความสุขจากสิ่งอื่นมาแทนที่มันก็ยัง วนเวียนอยู่กับการทุจริตอยู่นั่นแหละต่อเมื่อพบกับความสุขบางอย่างที่มันดีกว่าดีกว่าเงินดีกว่าสิ่งเสวจึงจะเป็นอิสระได้เพียงแค่จะอดใจไม่คล้องเกี่ยวนี่มันอดได้ไม่นานเหมือนก็อดเล่าเนี่ยอดเล่ า, อ ด, ลาอดได้ไม่นานจนกว่าจะเจอความสุขอย่างอืงอ่นที่มันดีกว่าถึงจะเลิกได้เพราะจิตไม่หวยหยแล้ว